เครื่องย้อมผิวชนิดใดชนิดหนึ่งคำว่าสงสนานคือพิกษณีสงสนานต้องอบัตตุกกฎในขณะที่สงสนานรสงสนานเสร็จต้องอบัตปาจิตตี